ตอนที่หนึ่งสหหลีหวันปลอดภัยช่วงบ่ายวันนี้เซวีเฉิงใช้ไม่ได้อยู่ด้วยเพราะเขาแอบหนีออกไปส่งข่าวให้เท่าแก่ซุนเท่าแก่ซุนจึงส่งคนมาดักตัวหลีหวันไว้เขารู้ดีว่าตอนนี้หลีหวันถูกพาตัวไปแล้วและเวลาผ่านไปกว่าสามชั่วโมงแล้วนับตั้งแต่ตอนนั้นมิ้งชังเฮอพอรู้เรื่องนี้ก็ไม่กล้าชักช้าแม้แต่น้อยรีบวิ่งไปที่เขตทหารเพื่อตามหาคนทันทีและเขาก็ประจวบเหมาะไปชนเข้ากับเจ้างวินฉงที่หน้าประตูเขตทหารพอดีจึงได้ล่วงรู้ถึง สถานการณ์ทางบ้านของหลีหวานตอนแรกที่รู้ว่าเด็กสาวคนนี้อาศัยอยู่ในเขตทหารหนิงฉางเหอก็รู้สึกว่าฐานะของนางไม่ธรรมดาแล้วความจริงพิสูจนแล้วว่าเขาเดาไม่ผิดเลยจริงๆหลีหวานเป็นลูกสาวของผู้พันในเขตทหารและคุณปู่ของนางยังเป็นถึงท่านผู้เท่าเจิงอดีตผู้นำระดับสูงของเขตทหารอีกด้วยด้วยภูมิหลังเช่นนี้นางยังต้องออกไปขายสมุนไพรอีกหรือ หนิงชังเหอไม่เข้าใจสถานการณ์นักแต่นยิยามกับขันเช่นนี้เขาทําได้เพียงบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ครอบครัวของนางฟังโดยไม่รอให้เจ้าตัวอนุญาตสิทธิ์ทั้งสองคนของข้าทําไปเพระอิจฉาที่เสียหวานเฉลียวฉลาดเกินไปข้าจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองแน่นอนว่าหากเสียหวานเป็นอะไรไปข้าจะไม่ปกป้องพวกเขาเด็ดขาดจะตัดสินโทษอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นลีชิงพิงรู้สึกว่าเสียหวานที่ออกมาจากปากของหนิงชังเหอดูเหมือนจะไม่ใช่ลูกสาวที่นางรู้จักสมอะไร สมุนไพรร้อยปีอะไรกันเจ้งอวินชงสังเกตท่าทางของหลีชิงผิงแล้วจึงเอ่ยปลอบโยนเสียงเบาตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องพวกนั้นเลยสิ่งสําคัญที่สุดคือความปลอดภัยของเสียหวานอาหลีชิงผิงได้สติกลับมานางพยักหน้าอย่างแข็งทื่อใช่คุณผู้ถูกความปลอดภัยของลูกสําคัญที่สุดตอนนี้เราควรทําอย่างไรดีไม่ต้องรีบเจ้งอวิงชงปลอบโยนอารมณ์ของหลีชิงผิงผมส่งคนไปแล้วไม่ต้องกลัว ลีชิงถิงตอนนี้ลนลานจนทําอะไรไม่ถูกนางรู้สึกว่าความประมาทของตนเองแท้ๆที่ทําให้ลูกสาวต้องตกอยู่ในอันตรายลีชิงถิงฉันอุตส่าห์ส่งลูกให้แกเลี้ยงแต่แกกลับดูแลลูกฉันแบบนี้เหรอเสียงเกลี้ยวกล่ดของโจจีจ้นเย่ดังขึ้นเจ้งางวินชงหน้าตึงทันทีเจ้านี่มาได้ยังไงเขาเดินเข้ามาในบ้านอย่างชุนเฉียวไม่สนว่ามีใครอยู่บ้างชี้หน้าด่าลีชิงถิงทันที ฉันรู้ว่าตอนนี้แกคงคิดว่าตัวเองมีลูกชายแล้วเลยมีที่ยืนในตระกูลเจิ้งได้อย่างมั่นคงถึงได้ละเลยลูกสาวแบบนี้โจเจี้ยนเย่กโกรธจัดถ้าแกไม่มีเวลาดูแลลูกก็เอาสิทธิ์การเลี้ยงดูมาให้ฉันต่อไปฉันจะเลี้ยงลูกสาวเองแกก็ไปเลี้ยงลูกชายของแกให้ดีเถอะโจเจี้ยนเย่ตอนที่ฉันกับลูกเกือบตายแกยังไม่เคยโกรธเลยสักนิดตอนนี้แกกลับวิ่งมาตะคอกใส่ฉันเป็นเพราะในใจแกมีลูกจริงๆหรือเพราะเห็นว่าตอนนี้ลูกมีอนาคตแกเลยอยากจะประจบกันแน่หลีชิงผิงสวนกลับอย่างไม่เกรงใจ แกมันพูดจาเหลวไหลลูกสาวตัวเองทำไมฉันต้องประจบด้วยถ้าไม่ใช่แล้วจะเป็นอะไรฉันไม่เชื่อหรอกว่าคนอย่างแกจะมีความรักของพ่อแกไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมเจ้หวินชงก้าวออกมาปกป้องหลีชิงผิงโจเจี้ยนเ ย, ย่ยังคงวอยวายราวกับหมาบ้าอยู่ตรงนั้นโจเจี้ยนเ ย, ย่ในตอนนี้ทำตัวราวกับเป็นฝ่ายมีเหตุผลและส่งเสียงดังกับบ้าน นิ้งช้างเหอะที่เป็นคนนอกย่อมไม่เข้าใจว่าสถานการณ์ในครอบครัวนี้เป็นอย่างไรกันแน่มีพ่อคนหนึ่งแล้วทำไมถึงมีโพรมาอีกคนได้ทางด้านนี้หลี่หวันได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของเท่าแก่ซุนผู้นี้แล้วหน้าตาของเขาดูแหลมเล็กเหมือนหนูดูแล้วไม่ใช่คนซื่อสัตย์เลยหลี่หวันนึกสงสัยว่านิ้งช้างเหอไปคบค้าสมาคมกับคนแบบนี้ได้อย่างไรหากเป็นนางแค่เห็นหงเฮ้งก็คงไม่คิดจะร่วมงานด้วยแล้วแกรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงพาแกมาที่นี่รู้สิหลี่หวันเลิกคิ้ว เพราะฉันไปขัดขวางธุรกิจของแกไงฉลาดนี่ในเมื่อแกรู้ว่าขัดขวางธุรกิจของฉันแล้วแกจะมาเป็นศัตรูกับฉันทําไมเราสองคนมีแค้นต่อกันงั้นเหรอฉันไม่มีแค้นกับแกแต่สิ่งที่แกทํามันผิดศีลธรรมฉันไม่อาจทนดูคนต้องเป็นอะไรไปพระยาปลอมได้หรือวันกล่าวเสียงเรียบเงินบางอย่างก็หาได้แต่เงินบางอย่างก็ไม่ควรหาเช่นเงินที่ได้มาจากการทําเรื่องผิดมโนธรรมแกหาเงินพวกนี้มาได้ไม่รู้สึกว่ามันขาดคุณธรรมบ้างหรอ เหอจะบอกให้ว่าแกยังเด็กเกินไปถ้าไม่ใจดําอมหิตก็ไม่มีทางหาเงินได้แม้แต่แดงเดียวหรอกเท่าแก่ซุนหัวรัพลางสายหน้าเขารู้สึกเหมือนตัวเองว่างจัดที่มานั่งคุยเรื่องพวกนี้กับเด็กสาวคนหนึ่งบอกมาสิแกทําให้ฉันขาดทุน ย, ยับขนาดนี้แกจะชดใช้ให้ฉันยังไงหรือจะให้ฉันคิดดอกเบี้ยจากตัวแกเองดีเท่าแก่ซุนมองหลีหวานตั้งแต่หัวจระรถเท้าฉันยังพอคุยกันได้นะเอาแบบนี้ไหมฉันหักแขนหักขาแกสัตกข้างถือเป็นคำเตือนต่อไปเราก็ต่างคนต่างอยู่ดีไหม ไม่ดีหรอกถ้าแขนขาหักจะใช้ชีวิตต่อยังไงแวตาของหลีหวานไม่มีความหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันรู้สิก็แค่นางเด็กที่มาขัดขวางเรื่องดีๆของฉันไงเท่าแกซุนกล่าวอย่างดูร้ายพ่อของฉันเป็นผู้พันในเขตทหารคุณปู่ของฉันเป็นท่านผู้เท่าเจิงที่ยังไม่กเกษียณพี่ชายของฉันเป็นมหาเศรษฐีแกกล้าแต่ต้องฉันเหรอฉันว่าแกคงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วละ่ะหลี่หวานแค่เสียงหัวเราอยเย็นชา เท่าแกซุนตอนนี้แกแค่เสียเงินไปบ้างฉันว่าแกคงยังไม่หมดตัวหรอกมั้งถ้าแกกล้าแต่ต้องฉันแม้แต่ปลายนิ้วเชื่อหมว่าครอบครัวแกจะไม่มีวันได้อยู่อย่างสงบสุขอีกเลยเมื่อได้ยินเช่นนั้นรอยยิ้มบนมุมปากของเท่าแกซุนก็ชะงักค้างทันทีแม้ใบหน้าจะดูนิ่งเฉยแต่ในใจกลับเริ่มลนล้าแล้วสถานการณ์อะไรกันเนี่ยภุ่มหลังของเด็กสาวคนนี้ไม่ธรรมดาเลย เขาไม่ได้ใจกล้าบ้าบินถึงขนาดกล้าลงมือจริงๆหักนางไม่มีหัวนอนปลายเท้าก็ว่าไปอย่างแต่ภูมิหลังใหญ่โตขนาดนี้ต่อให้เอาความกล้ามาให้เขาอีกร้อยเท่าก็ไม่พอแกคิดว่าฉันถูกขู่จนกลัวนั้นเหรอฉันขู่แกหรือเปล่าแกไปสืบดูหน่อยก็รู้แล้วลิวันกอดอกนางรู้สึกว่าการพูดคุยนี้เริ่มน่าเบื่อแล้วจึงนั่งลงเปิดห่อขนมเปี๊ยกกรอบแล้วค่อยๆกัดกินทีละคำเท่าแกไอพวกสวะ เท่าแกซุนกําลังหาที่ระบายอารมณ์พอดีจึงขลึงตาใส่ลูกน้องไม่ได้ความทั้งสองคนฉันจะเลี้ยงพวกแกไว้ทํำซาอะไรก่อนจะพาคนมาทําไมไม่สื่อพี่ดีก่อนรีบใส่หัวไปให้พ้นหน้าฉันเดี๋ยวนี้ทั้งสองคนกําลังจะใส่หัวไปตามคําสั่งแต่พอไปได้ครึ่งทางก็พบว่าสถานการณ์ข้างนอกไม่ปกติเท่าเท่าแกทั้งสองคนพูดจาติดอ่างจนฟังไม่ได้สับเท่าแกซุนหมดความอดทนโดยสิ้นเชิงพวกแกสองคนยังมีอะไรจะพูดอีกถ้าไม่มีก็ใส่หัวไป จับคนข้างในให้หมดครับเทียงน่กี่วินาทีขนมเปียกรอบในมือหลีหวานยังกินไม่หมดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมสถานการณ์ตรงหน้าไว้ได้แล้วเสียหวานจำอาได้ไหมชายที่พูดดูคุณนหน้าอยู่บ้างหลีหวานไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรแต่รู้ว่าเขาสนิทกับเจ้งางวินฉงจำได้คะ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมชายคนนั้นถามอย่างกังวลไอ้พวกสารเลวพวกนี้รังแกหนูหรือเปล่า หนูต้องบอกอามาให้หมดนะอาจจะได้ช่วยแก้แค้นให้ไม่เป็นไรคะ่ะลหวานไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยคนที่เป็นอะไรตอนนี้คือพวกนั้นต่างหากหนูต้องรีบปรับแล้วและถ้าไม่อย่างนั้นแม่จะไปห่วงเอาพอได้ยินเช่นนั้นมุมปากของชายคนนั้นก็กระตุกเล็กน้อยแค่เป็นห่วงอย่างนั้นหรือตอนนี้ตระกูลเจิ้งแทบจะวุ่นวายจนบ้านแตกอยู่แล้ว